ต่อไปนะครับเมื่อวานเนี่นะขึ้นภูตะคะม ว, ว่าสิกขาบทที่หนึ่งจบไปแล้วสิกขาบทที่สองก็จบไปแล้วนะครับมาถึงสิกขาบทที่สามอุชาปณะสิกขาบทเปิดพื้นที่หนังสือวโวศวิธีนะครับร้อยเจ็ดสิบเจบเจ็สิบครับเจ็ดสิบอยู่รข้อที่สิบสามต้องอาบัดฟ้าจิตี ในเพราะการนาว่าต่อว่าต่อหน้านินทารอบหลังต่อว่าหรือนินทาภิกษุผู้ได้รับสมมติสะสมให้เป็นผู้จัดเสนาชนะแจกอาหารเป็นต้นที่ทำหน้าที่ได้ดีแล้วต้องอามบัดปาสิทีิต่อว่าหรือนินทาภิกษุ ผู้ไม่ได้รับสมมติจากสมก็ดีสามเณรที่ช่วยทำหน้าที่ก็ดีต้องอาบัตทุกฏต่อว่าไม่ใช่ดา่าพิสุพผู้มีปกติทำหน้าที่ด้วยความลาเอียงไม่ต้องอาบัตนะครับคราวนี้หนะ่าหมาเพราะว่าเกลียการต่อว่าบุญทาพเจ้าที่นะครับ มีเจ้าที่แจกเสนาแจกหาเป็นต้นนะที่สงสมมูติแล้วด้วยกรรมที่ชอบทำนะครับ <c oughs> แล้วก็ก็ทํางานถูกต้องอะไรสมมูรณทุกอย่างน่ดีหมดนะครับแต่ว่าพิสูจน์บางรูปเกิดอาการหม่นไส้เจ้าหน้าที่เขาไปอายบางอย่างไมส่วนตัวเงี้ยนะก็เลยไปต่อว่านะครับต่อว่าต่อหน้าเนี่ยคืภาษาบิรีชันธ์ว่าพลธนานะครับ <c oughs> หมายก็ว่าไปพูดนะ พูดให้ผ้าลูกอื่นฟังครับว่าเจหน้าที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเขาเรียกโพษนาเพื่อให้ผ้าลูกอื่นน่ะมองผ้าเจหน้าที่ด้วยสายตาที่ไม่ดีนะครับคิดผาเจน้าที่ด้วยสายตาที่ไม่ดีมันก็พูดว่าโอ้เจ้าหน้าที่เราเอียงนะเพราะชอบพ่อ <c oughs> เห็นองค์นั้นเป็นเพื่อนการคุ้นกันใกล้ไปอยู่กุฏิดีๆไอทีเราให้อยู่แต่กุฏิเดียวเลยเพราะไม่ชอบกันนี้นะครับหา <c oughs> ว่าแจ้งที่นาเอียง พราะความชอบพอบ้างเพอาะความโกรธบ้างเนี่ยนะท่านที่เจ้ที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต่อว่านะภาษาถื่เป็นพนธนานะครับคือไปพูดให้พู้สู่อข่าฟังเลยส่วนนินทานนะครับไม่ได้พูดให้ผู้สื่อขฟังเลยตองทำเป็นพูดคุยกันเองะครับแล้วให้คนอื่นเขาได้ยินเองนะไม่ได้เป็นพูดให้เขาฟังเลยตรงนะครับอย่างผมกับคอนเต้ก็พูดคุยกันนะเราทําเป็นพูดคุยกันให้คุยเาได้ยินไปด้วยนะครับ ว่าเจ้หน้าที่ไม่ดีอย่างั้นอย่างนี้เราเอี่ยไม่ชอบทำอะไรนี่นะครับ <c oughs> คนอื่นก็ได้ยินข้าวนะครับคือตั้งใจอย่างงั้นนะคืก็ตั้งใจให้เขาได้ยินนะครับแต่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ได้ยินนะให้มิจูรุ่งอื่นอะไรได้ยินนะครับอันนี้ชื่อวันทางล้าหลังก็ต้องบัดปลานิตย์นะครับในกรณีเจ้าหน้าที่ทํางานดีถูกต้องทุกอย่างนะแต่ถ้าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ดีนะ ทำงานด้วยความลำเอียงนะครับหรือไม่ดีอ่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะต่อว่าได้ไม่ใช่ด่านะครับถ้าด่าต่ออาบาดหมดนะแล้วทางานด้วยความลำเอียงด้วยอะไรพวกนี้นะก็สามารถที่จะต่อว่าได้ทําไมทําอย่างนี้ลำเอียงไม่สมควรนี่นะครับเพราะว่าหน้าผมไม่เค ย, ยปัญหาเจ้าหน้าที่ทีผมเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันเจ้าหน้าที่อองทัพแต่ใคยมียปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำไหนผมไล่เขาออก ไล่เข้าจะู่ตำแหน่งไหนครับอาศัยําหน้าอะไรก็ไม่รู้เนอะอยู่ดีไล่เขาอะไรครับเขารับตำแหน่งกันแต่ที่เข้าสุดโตกไปครับเขาแบบไม่มีประสบการณ์ไงก็เพิ่งมาทํางานใหม่แล้วก็สุดโต่งเขาไม่ฟังไม่ฟังเลยนะเนี่ยเราก็ฉุนคุยไปยิ่งคุยไปยิ่งชุนครับบอกไล่เข้าออกจากตำแหน่งแล้ว ถ้าก็ออกไปเลยนะถ้าก็ออกนะก็ไม่อยู่นะแหมแม่แหมแม่แ <c oughs> ม่ไ่ไหมอัน <c oughs> นี้นะข้อนี้เป็นอ่นี้ <c oughs> ต่อไปเรามาดูต้นไม้ใหญ่แล้วมาสุกัย <c oughs> วันนี้ฟังหมอเขียนนะคือพวกนี้เนี่ยเข้าเริ่เกี่ยนระบบการปกครองนะรับระบบหลายๆอย่างการปกครองการ ทำงานเล mm hmm. ี้ยงชีพอะไรก็ได้แต่งครับก็ต้องมีเข้อเรื่องมัชชิมานะครับเรื่อยตามสอบเรื่อยตามสเออพูดให้ฟังกันเนี่ยระบบต่างตางถ้าต้องมีมัชชิมามัชชิมาความเป็นกลางนะครับไม่ใช่มัชชิมาปฏิปทาท้ายทะเจ้าตัดไว้นะมัชชิมาปฏิปทาท้ายองตัดไว้ในคืออะไรนี่ครับการปฏิบัติผาลยมมักมีองแปดนะครับผาลี่ยมมักมีองแปดใช่ไหม หรือถ้าจะสง่งข้อก็จะติดประธานทีอย่างนั้นนะครับเนี่ยสงข้อนะโดยตรงได้ตแต่เกี่ยวกาบระยะมั่งถึงแปดแต่ยิ่งถ้าเราจะเอามาใช้เกี่ยวกับการทําต่างๆนะไม่ในการปกครองการยิ่งชีมนะครับยิ่งโดยเพาะเกี่ยวกับการปกครองเนี่ยต้องใส่ไม่ชิมาและความขนาด้นานอย่างนั้นนะสุดตรงไปก็ไม่ได้นะครับสุดตรงไปก็แต่งหันนะเป็นภาพเป็นพวกฝังฝ่ายนะครับควกบบุคคลลบอะไรนะเสื้อเหลืองสืแดงนะครับแหลกลา ยออหย่านลงไปก็เละเทะนะไม่อยู่ใ น, นระเบียบไินัยนะครับมันต้องมีความพอดีว่ามันต้องมีกดระเบียบได้แค่ไหนแล้วก็อนุโลมได้แค่ไหนนะครซึ่งผู้นั้นมันต้องฉลาดนะไม่ได้ต้องลอมรู้นะครับแล้วก็ต้องพอมีประสบการณ์บ้างอาจจะเจอกับอะไรที่แบบอาจจะใครทำผิดมังกรณ์แหละนะดโตมากย่อหย่อนมากไอ้ น, อนี่ตัวเองก็จะเริ่มรู้เรื่องประสบการณ์ครับแล้วต่อไปก็จะรู้ว่าเมื่อชิมาพอดีอเป็นยังไง ที่เป็นเพื่อความผาสุขของทุกฝ่ายคนนี้นะก็จะรี้นะครับอันนี้ต้องมียิ่งกว่าการปกครองต้องมีอย่างมากเลยถ้าไม่มีไม่ได้นะครับมื่อผาสุกหรอกผาสุกคนออกกดคนเดียวนี่ <c ười> แต่คนอยู่ใต้เกิดไม่ผาสุก <c ười> นี่นะนะครับก็มีต้องต้องมีนะแะก็ต้องรู้นะข้าต่อไปนะใครที่จะเป็นเจ้าว่าเป็นผู้นําปกครองเก็ต้องมีความฉลาดก็สัจธรรมสมัยเราเคยเห็นนะ แต่ไหเป็นสมณะเองพระธรรมการแล้วก็จะรู้ใช่ไหมเคยผ่านคนะปกครองอะไรยังไงมาประสบการณ์แล้วก็อาศัยธรรมะนะครับเอาธรรมะหมวดธรรมะต่างๆนะที่พระเจ้าทรงต่ําไว้นียเอามาใช้นะะี่ครับอันนั้นดีที่สุดเลยอย่างเช่นสารานิยธรรมอย่างเนี้ยนะไะไม่ต้องกลัวเขาไม่ตกต่ำหรอกแล้วก็ชนะใจคนได้ น, นีะครับสารานิยธรรมก็ดีแล้วก็อะไรเนะี่ะสังขาวัตถุ ก, ก็ดีใช่ไหมนะครับ เราทำวิดัยมาใช้นะครับผมหกข้ออ่านนะครับงานนี้จะทำหกข้อนครับกี่ข้อที่จำไม่ได้แต่ถ้าที่จำแน่ง่ายคือแม่ตากกยกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ครับทั้งต่อห น, น้าและรับหลังนะคือให้ทุกคนทำงานด้วยใจรักนะครับเสียสละเพื่อสว่วนรวมให้เขาเห็นประโยชน์เห็นอันิสงส์ในแต่ละอย่างว่ามันดีนะที่ทำอย่างนี้นะ ไม่ใช่อำนอาจตานะครับจัดอย่างที่ตัวต้องา ก, การได้ไม่ได้น่าแปลกไหมครับอยู่ไม่ได้ตัวเงหนาล้น <c oughs> ใช่ไหมคือคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่นะมันอันนี้เกี่ยวเรื่องของกรรมฐานด้วยนะครับ <c oughs> ถ้าเราตั้งนนัอัตตอันอาตนาอัอาตาอนัอตตาจมาจากอะไรครับมาแต่ตัวโลภะที่ต้องการให้สิ่ง น, น, นั้นบุคคลนั้นวัตถุนั้นเป็นไปอย่างทีตัวเองคิดนะครับแล้วมีการตั้งขึ้นมาเขาเรียกว่าตั้งอัตตา ยิ่งเรามีการตั้งาตามากเท่าไหร่นะถ้าถึ่งนั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งไว้นะครับอาปฏิฆาก็จะมากานะอรารโอท่ามีกำลังมากเท่าไหร่นครับความขัดเคืองก็จะมากานะขั้นเรกเป็นการตั้งอัตตานะครับจนได้คนที่นั่นบ้างคนที่ข้ารู้นะนนะก็จะรู้อ๋อต อ, น น, นะ น, อนนี้มันเกิดแล้วอันนี้ว่าผมผ ม, ผมมีคะแนนมีนจะรู้นะมเวลาใจมันตั้งอัตตาขึ้นมานะโอ้โหเด็กเกินเลยหน่าดูเลยเจ๊ไม่รู้เรื่อง หรือเราทาอะไรตัดใจตัวเองนะี่นะเราก็โอ้ยไม่ได้นลใจเสียมขาดทุนครับเราก็ต้องปล่อยวางบ้างนะต่างตามไม่ได้นะจริงๆมันต้องปล่อยวางนนครับตรง น, นี้ยนะคือผู้นำผู้ปกครองต้องรู้เลยนะครับต้องต้องวางใจไดนะ้ถ้าไม่ได้ในะตัวเองไหนทุกข์เขามันจะมีอะไรที่เป็นไปอย่างที่เราคิดทุกอย่างได้ไหมครับไม่ได้เราไม่ต้องไปคิดเหมือนคนอื่นเราเอาตัวเราเองแหละมันเป็นไปนแอมหน้าทุกอย่างมันทำไมนะ่ไตัวเอง ไม่อยากจะเจ็บอะไท้องมันก็เจ็บใช่ไหมครับไม่อยากจะปวดนก็ปวดบางวันหัวสมองตื้อเนี่ยเราจะให้มันปลอดโปรงอ่านอะไรท่องอะไรจําหมดใช่ไหมมันก็ไม่เป็ น, ป น, นอำนาจอย่างนั้นอันนี้ขนาดตัวเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับและคนอื่นน่เป็นใครไม่ใช่ร่างกายเราสักหน่อยนะเราจะให้เขาเป็นเป็นอานํานาจทุกอย่างนะมันเป็นไปได้ไหมครับ<ม>โอ้ไม่ได้เราถึงไปไปได้ก็อาจจะชั่วคาที่แค่นี้ไม่มีกําลัง แต่พอก็มีกําลังกุ้มเนี่ยเราู่ถึงล้มล้างเลยนะถุกค้นล้มรัสบาลเลยงยไหอย่างนั้นนะพราะนั่นผู้นำมันต้องฉลาดแล้วต้องมีมัธยมารความรู้ประสบการณ์หลายนะครับก็ควรต้อฟังนะแต่ก็ต่อไปใครเป็นพระสิริกูบาอาจารย์ใช่ไรมสาษารมาเข้ามากขาต้องเป็นอยู่แล้วท่านอาจารย์นี้นะพระสิรกูบาครับไม่เคยรู้ไว้ ต่อไปนะครับสิขาบทที่สามมาจากเรื่องของพระธัพปามลบุตรนะครับโดยสมัยนั้นพุทธภาพพระเจ้าประทับอยู่หน้าพระเวฬุวันอันบรรจฐานที่พระจะทานเหยื่อแกะ แ, แต่เขตพประคองนั่นคือครั้งนั้นท่านพระธัพปามลบุตรจัดแจงเสนาสนะและแจกพัดแกสงสมัยนั้นพระแม่ทิยและภุมมัชกะเป็นผู้บวชใหม่และมีบุญน้อย เสน่ห์นะของสงที่เลวและอาหารที่สามย่อมตกมาถึงเธอทั้งสองนี่นคนมีบุญน้อยถ้าบอกว่าขนาดว่าอาหารที่เข้าถวายปานิษตามธรรมดาใช่ไหมพอเขารู้ว่าสองคนจะไปนี่เขาเปลี่ยนไปอาหารเหน่งเลยเพราะอาศัยความที่ตัวเองมีบุญน้อยนะไม่ใช่เจ้าหน้าที่แกล้งนะตั้งแต่เรื่องนั้นนะไอ้เรื่องสําคัญเสดใช่ไหมโจเรื่องแบบปรลาที่ไม่มีมูลครับสองคนนี้ยังไม่หายแค่นะ ยังมันโจรเนี่ยว่า พ, าพระธบ้ารมันบุตรตรงนี้อีกนะครับเออครับเธ อ, อ, อ, อทั้งสองจึงให้พิสูจทั้งหลายเนี่ยแท่งโทษท่าน พ, าพระธัปพระบุตรว่าจัดแจงสนาสนะตามความพอใจนะคือลําเอียงนะทําเรื่องหน้าความพอใจนะครับแน้วแจงพัดตามความพอใจ ประดาพิสุทธิ์นคู่มั่งน้อยสนโดษทางก็เพ่งเทอดเตรียพุทธนาว่าฉนัยพระเมตตีและพระภมูมเจกะจึงได้ให้พิสุทธิ์ตั้งหลายพุทนาท่านพระท่าพะมรบุตรเล่าและกรามทูเนื้อคามน้ำเด็ดนิมาพาเจ้า ก, ก็รวมว่าประชุมสองทรงสอบถาม น, นะครับทสรงสติเตียนนะแล้วก็มายาสิขาออกมาครั้งแรกพระมยายาครั้งแรกมีแค่นี้ก่อนนะครับว่าเป็นปาจิตตีในเพราะความผู้ให้พุทนา สมัยต่อมาก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกนะครับก็สมัยนะั้นพระเมตติยะและพระมัจจการคิดว่าพิจุตทั้งหลายจากเชื่อฟังด้วยพระบัญญัติเพียงเท่านี้ว่าพระพุทเจ้าทรงห้ามการให้โพทนาแล้วจึงบ่นว่าท่ า, พานพัทธรรมมรบุตรอยู่ใกล้ๆพรวนาหรือไปพูดเลยใช่ไหมพวกนีค้คนนี้คนนี้ฟังเลยนะว่าปัทธรรมมรรคดำเองอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่บ่นว่าไม่ได้พูดใน้เขาฟัเด็ดตอน ไปคุีการทำเป็นปบนว่าคนเขาได้ยินเชิญ น, นะครับเนี่ยท่านเลยใช้คําว่าจึงบ่นว่าท่ า, า, พาบนพรธัปป้างมรบุตรอยู่ใกล้ๆพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพัฒปางมรบุตรจัดเสนาสนะตามความ พ, พอใจและจากภาพตาภาพตามความพอใจบรรดาพิษุภู้มากน้อยสิ้โดดดังลักเพ่งเทอิเตรียมโพธานาแล้วก็การาบพระเจ้าสรงทรางพระดวงทรงสอบถามทรงตรีเดียรแล้วก็บัญญัติเป็นพระบัญญัตเต็มๆขึ้นมานะครับอย่างที่ได้อ่านแล้ว อันนี้นะอ่าคำที่บานนีดนิดหนึ่งนะครับถ้าบอกว่าความเป็นผู้อิพลทนาก็คืออุปสัมบันคือพิสูจนะครับผู้อันสงสมมุติแล้วให้เป็นผู้จัดเสนาสนะเป็นผู้แจกอาหารแจกยางคูแจกผลไม้แจกของเคีย้ยวหรือแจกของเล็กน้อยก็อ่านนะครับพิสูจประสงค์จะแส่โทษคือเข้าไม่ได้มีความผิดเลยนะแต่รู้มีแการหมั่นไส้ในสอย่างนะครับไม่ชอบใชจ ประสงค์จะแสะโทษให้อับยศให้ก็เขินจึงให้โพธนาก็ดีบ่นว่าก็ดีซึ่งอุปสมบันอันนี้ต้องแบบปาจิตติต่อไปมาดูคำอธิบายในกังขาได้เลยนะครับหนะ้าวัดหสิบปดนะครับข้อที่สานะข้อที่สานี้ครับอธิบายกุญชาปะนะามบทกุญชาะนะคะว่ายกโทษ ท่านแปลว่าพนธนาอ่าเพิงซ่าอธิบายในสิขาบทที่สามต่อไปพวกพิสุพากันพนธนาคือกล่าวําเป็นต้นว่าพิสุเจ้าหน้าที่รูปนี้ทำำํากรรมนี้ด้วยความลําเอียงเพราะความรักเป็นต้นเนี่ยไปพนธนานี้นะพูดอย่างนี้ดังนี้ประสงค์จะใส่ร้ายพิสุที่ทรงสมมุติให้เป็นเจ้าหน้าที่แจกเป็นาชนะเป็นต้นจึงชักนําพวกพิสุดูหมิ่นนี่นะ ที่เป็นพุทนาเพื่อให้พิสูจอื่นนะครับเข้ามองเจ้าหน้าที่ไม่ดีเนะผู้พิสูจน์ดูหมิ่นดูแคลยเยียหรือให้คิดไปในทางไม่ดีอันนี้ชื่อว่าอุชาปนะคํำหยีหยาไม่ใช่นะอุชาปณะคือให้เข้าเพ่งโทษหมือนอคํำพุทนานครับพุนาทนี้เมื่อกล่าวติเตียนนะครับอย่างนั้นนั่นแหละประกาศโทษของพิสูจน์เจ้าหน้าที่นั้นในทุกที่นะ ก็ไปบ่นไปว่าเรื่อยนะแต่ว่าเมื่อในพูดในใครฟังตรงครับพูดกันเองด้วยคําใดคํานั้นชื่อว่าเขียนะคําติเตียนหรือว่าคําบ่นว่าพิสุทธิ์ต้องอับัตตาจิตจีเพราะการพัฒนาหรือการติเตียนนั้นคำว่าปาจิตยาความว่าพุทธมภาพพุทธมภาเจ้าตรัสอับัตไปตีสองตัวในสองกรณีเพราะฉะนั้นพิสุทใด ต้องการความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแก่พิสูจน์เจ้าหน้าที่ซึ่งทรงได้สมมติไว้แล้วการโพนธนาหรือติดเตียนพิสูจเจ้าหน้าที่นั้นพิสูจนนั้นต้องอาบัาตรปานิตเีงเหตุเกิดและประเภทอ า, าบาัติทั้งนี้อ่านได้เลยนะสิขาบทนี้ง่ายๆไม่ยากนะครับสิขาบทนี้พระพุทธเจ้าทรงประลบพระเมตติญายและพระภูมิศักดิ์บรรยายนไว้แล้วเพราะเหตุคือการโพนธนา แลกติดเตียมปตัตตาพมรบุตรเป็นสาธารณาบัญญัติที่สุนีก็มีนะครับอันนั้นติกะไม่เกี่ยวการใช้ต้องไนพูดเองนะครับไปใช้ก็พูดเข้าว่าแต่ไม่เป็นนะในกรรมที่สองสมมุตินั้นชอบธรรมนะครับเป็นติกะไปดีหมาเพราะว่าพิสุจนเจหน้าที่นั้นนะได้เราสมมุตินะครับจากสงในกรรมี่ชอบธรรมเราจะรู้ทั้งรู้นะว่าจะหน้าที่นั้นได้สมมติวิชอบธรรมนะครับเข้าใจสงสายสำพันญผิดใช่ไหม ไปว่าเขาก็ต้องไปดีทั้งนั้นนะครับในกรรมที่ไม่เป็นธรรมคการสมมติเจ้าหน้าที่นั้ไม่เป็นธรรมนะครับอาจจะมีใครค้างสักคนหนึ่งเนี่ยนะและก็ยังสมมุติว่าเขาไม่เป็นธรรมแล้วท่านพ่อมีใครค้างก็ไม่ผ่านนี่นะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่สมมุติไม่เป็นธรรมนะเราไปติตรครับก็เป็นติกัดทุกข์นะครับเมื่อพิสูจกลาอย่างนั้นในสํานักของอุปสัคบันก็ดี ไม่ได้ไปพูดในพระฟังแต่ไปพูดให้เนนฟังนะครับพูดให้เนรฟังนะั่นี่เป็นทุกกฎนะครับทุกกรณีเลยกราบทของภิกษุที่สงฆ์ไม่ได้สมมุติในสัมนักของผู้ใดผู้หนึ่งก็ดีคือในกรณี่ไม่มีเจ้าหน้าที่งไงก็เลยมีกองบุญขึ้นมา <c oughs> ใช่ไหมคนที่ช่วยเหลือภาระราพระสงฆ์โดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่นะครับมีผู้เป็นกองบุญต่างๆนะั่นอย่างนี้นะครับ ไปว่าเขานะั้นถ้าเขาทำหน้าที่ีจะทํางานดีแล้วนะครับไปว่าไปอะไรเขาอันนี้ก็ยังต้องทุกข์กบนะครับแรกกลางโทษของอนุประสมบัณฑที่สงสมมุติหรือไม่สมมุติพอดีนะครับอนุบสมบันณ่์ที่สงสมมติเป็นยังไงครับราะว่าสมณะนั่นที่สองสมมติธรรมนาสมมุติรรมมตเขาจะให้แก่ภาพวิสุทนะครับจะไม่มีการมาสมมติในขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่อย่างนี้ไม่มีนะสมมุติแต่ภาพนะครับ นึกออกไหมครับเป็นยังไงคือเป็นหนึ่งที้ครับตอนแรกท่านเป็นพระแหละตอนนี้เขาสมมุตินะถ้าเป็นพระทีนี้ท่าเ น, า เ, นเสร็จมาเป็นเองนะครับอาการสมมุตินั้นก็ไม่ได้หายไปนะเมัน ก, ก็ยังอยู่นะครับท<ม>่าในจะเชื่อครับว่าอนุปัสัมบันที่สองสมมุติอหรือไม่สมมติก็แล้วแต่ถ้าแปลอนุปัสัมบันินะในสํานักของผู้ใดผู้หนึ่งในที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ต้องบัตรทุกกฎทั้งนั้น อาณาบัตรพิสูจไม่ต้องอาบัติเมื่อพลธนาหรือติดเตียงพิสูจที่มักทําการด้วยความลำเอียงเพราะความชอบพอเป็นต้นเจ้าหที่ทํางานไม่ดีเยี่ยลำเอียงนะครับอันนี้ก็ตอบว่าได้นะไม่เป็นไรนะครับโดยปกติก็ดีพิสูจนบ้าเป็นต้นก็ดีไม่ต้องอาบัต ร, รองค์อาบัตรสิค้ับบนนี้มีองค์หกเหล่านี้คือหนึ่งพิสูจน์เจ้าหน้าที่สองสมมุติโดยกรรมที่ชอบทํา นี่นะข้อแรกนะครับสองเป็นอุปอสมบัทเป็นพระยังไม่ได้ศึกเป็นเองนะครับสามเป็นภิกษุเจหน้าที่นั้นทําการซื่อตรงทุกอย่างนะครับไม่ลำาอียงไม่ได้ทํางานไม่ดีเลยนะซื่อตรงนะครับสี่ต้องการจะใส่โทษภิกษุนั้นอยากมีใจไม่ดีนะครับห้าผู้ในสํานักของผู้ใดผู้นั้นเป็นพระภิกษุนะครับหกการพนธนาหรือติเตียนใช่ไหม แล้วก็เมื่อครบองหงนี่ก็ต้อนแบบไ ป, ไปตีนาศิขาบทนี้นะครับสมุติฐานเป็นต้นเหมือนกับแนทีนาทานศิขาบทคืออะไรครับกายจิ ต, จตกายวาจาวาจาจิ ต, าจาจตกายมาจากจิตถต้องนะครับมีจิตนน ใ, นใจมันเป็นโทสะนันใจไม่ดีนะครับแล้วก็ไปว่าเขานะต่างแต่สิกขาบทนี้มีพิจารณาเป็นทุกอย่างดีนะครับและจบการที่บายอุชาปณะศิขาบทเอา ไอ๋อแล้วก็มีเรื่องหนึง่งเกี่กับเรื่องผู้นําอเรื่องการปกครองอันนี้เจา้าอุดรท่านบอกไว้นะคือสถือว่าเนี่ยมีไทยนะจะไปเป็นคูบาการอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> เราผมไม่ได้อยู่ที่นี่ค้าฟ้าค้าแผ่นดินหนอกมันอาจต้องมีการย้ายไปที่อื่นบ้างใช่ไหมครับ <c oughs> ถึงว่าเรามีความรู้มีอะไรเป็นคูบาใจฟาดเอี๊ขึ้นมานะแล้วก็จะไปโปิดสํานักไปที่ใหม่นี่นะครับท่านบอกว่า สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดก็คืออย่าไปมีเรื่องกับเจ้าถิ่นนะครับถ <c oughs> ือว่าพิสูจน์เจ้าถิ่นเขามีอยู่แล้วนะเขา้าบอกโอ้ยพุนี่ปแปลงราชีไปกำลังให้เค็น <c oughs> ไปก็หารืมโจก้กไปทั่วอย่างนี้นะไอมีเรื่องอะไรเข้าเลยนะครับ <c oughs> ตัวเองอาจจะอยู่ไม่ได้ไนะ <c oughs> นี่ถ้าแทงในขนโฟนนี่อาจจะถึงขั้นชีวิตเลยนะครับแล้วตัวเองก็อยู่ลำมากน่าเดือดร้อนนะครับไม่มีเรื่องกับเจ้าถิ่นอันนี้สําคัญมากเลย จะเ ป, ป็นทาพปดีโยกหรือที่เป็นเจ้าถิ่นนะครับไปพุ๊บที่เราต้องการทําไม่ดีนะอย่าไปหาเรื่องหรือว่าใช้ความรุนแรงอันดับแรกนะั่นสมัยปัจจุบันนะครับยังไม่ใช้ลักษณะนี้นะครับพ่อเราจะโดนหนักนะหรือว่ามันก็อยู่ไม่ได้ต้องใช้วิธีแทรกซึมครับแทรกซึมไปนะเสนอสิ่งที่ถูกต้องถ้าถือว่าเราจะไปต้องกลับไปอยู่ในที่นั้นใช่ไหมอาจจะแปลนุ่นข้ออย่างไรก็แล้วแต่นะครับให้ใช้วิธีที่แทรกซึ แล้วก็เสนอสิ่งนี้ถูกต้องแสดงเหมาะกาได้นําไปนะครับแล้วก็แทรกเสนอเรื่อยๆจนเขายอมรับนะครับเห็นด้วยอะไรนี่นะเราถึงจะทำได้เต็มที่นะครับแต่ไปผู้ก็หักล้างหาเรื่องอะไรขึ้นเลยนี่นะอย่างเนี้อยู่ไม่รอดอยู่ไม่ได้นะครับมีปัญหาเลยอย่างเช่นผู้นาสมัยก่อนใครอ่านประวัติพวกผู้นําคนหกไหมครับท <c oughs> ไมใครอ่านเปนอะไรนะอะไรนะมุโสลิณีอย่าใครอ่านครับ ผนอิตาลีจอมเผด็จ ก, การใช่ไหมก็หลายหลายคนน ะ, ะเป็นเผด็จการนะครับเขาเปลี่ยนระบบการปกครองแบบหักล้างคนอื่นเลยนะแต่ผู้นำเหล่า น, นี้รู้ไม่ครับว่าจุดจบเขาเป็นยังไงหลายๆคนนะจุดจบก็คือถูกฆ่าตายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอจะไปเปี่ยนระบบการปกครองแบบหักล้างเลยนะทีนี้คนนี้ก็ไม่ชอบใจมีอยู่นะแล้วคนนี้ก็หาโอกาสานะครับพอได้ช่องได้โอกาสเนี่ย เราออกลงถิ่มเมื่อหลานีดครับเขาเล่นงานนะทีนี้นห้เราก็จะเจ็บหนังนะทีนี้โดยผูนน้นํานั้นถูกฆ่าตายเยอะเลยนะหลายค น, นครับถูกฆ่าตายพวกนําประเด็จ ก, กันแหล่ะนะตอนแรกมาทําดีทําอะไรก็จริงในสุดท้ายก็อยู่ไม่ได้นะทุก ข, ข้าตาท่านเคยว่าเนี่ยนะอย่าเนะไปมึนเรื่องกับเจ้าถิ่นนะครับเขามีสนนํานวนว่าอะไรนะมังกรพระถิ่นนะครับเจองูดินเจ้าบ้านก็ร่วงนะครับ อย่างนี้น ะ, ะเพราะนักจอถิดนเนี่ยวหสำคัญนะไม่ใช่สรรมดามีที่พอ้นมีอำนาจอยู่กับต่อไปนะครับตรนนี้ข้อนี้ก็จบนะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะครับอ่าข้อที่ข้อที่สิบสี่นะครับ